เวลาตกใจก็มักจะมาส่งเสียงอุทานสมัยนี้ก็อุทานโอ้ยหรือว่าอาจจะเป็นคำต่อว่าแต่ว่าสมัยก่อนนี่เขาอุทานก็จะเกี่ยวก็จะมีธรรมะผสม์ก้ไปด้วยนะเช่นอนิจจ า, อานอนิจจาเวลาได้ข่าวคนตายทันทนก็อนิจจา บางทีก็พุทธโทนะตอนหลังก็พุทธโทอตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นปัตโทอะไรางี้นะปัตโตอันนี้ก็เป็นเป็นอิทธิพลวัตถศาสนาที่มีต่อคนสมัยก่อนวิจารอุทารอะไรตรยามก็บ่งบอกนะถึงความคิดความเชื่อของตัวผู้ทานด้วย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 อีกครั้งหนึ่งก็มีเพื่อนของสามีเนี่ยก็คือพรานทั้งหลายเนี่ยมามาที่บ้านก็มีการจัดทหารต้อนรับนางธนัญชาญก็ทําหน้าที่เอาของมาต้อนรับก็ถือถาดมาประเอนเกิดเดินสะดุดเท้าตัวเองก็คงไม่ถึงกับล้มหร้วมั้งก็อุทานขึ้นมาเป็นนโมตัสสะปะกวาโตระหัโตสัมมาสังโฆ สามจบเลยบอกกูว่าตัวสามีเนี่ยคือพระพราทวรทวาชาันโกรธมากเพราะว่ามาอุททานแบบนี้ต่อหน้าพรามพรามพวกนี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้าเขาคงจะดูถูกหรือตอว่าพระราธวาชานันเนี่ยว่าอะไรเมียทํไมไม่ไปนับถื อ, อพวกเดรกีอย่างนั้น หน่วยก่อนพรามก็หาพรธเจ้าเป็นเดรัจฉีนะเหลือเป็นพวกที่นับถือศาสนาที่ต่ำต้อยพนะระธวราชาองเสียหน้านะบ่าเมียงตัวแทนะ้กลับไปนับถือพระโคดมนะซึ่งเป็นก็เป็ น, ปนทําหน่งเป็ น, ป, นปรปักกับพวกพรามเนละี่ยก็เลยโกรธนะโกรธนี่ กรไปถึงผู้เจ้าเลยนะพระราชาวชาเนี่ยก็ว่าจะไปต่อว่าผู้เจ้านางชนันชานี่ก็บอกว่าไปเลยนะจะได้รู้จักพู้เจ้าสักทีนะว่าปราะองมีประเสริฐอย่างไรบ้างพระราชาวชาก็ยิ่งโกรธก็้าไปใหญ่นะเพราะว่าโกรธที่ทําให้โกรธผู้เจ้าที่ทําให้เมียงตัวนะมาตีห่างจาก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 สติปัญญาของตัวว่าเหนือกว่าวิธีเอาชนะคือการตั้งคําถามให้ตอก็เลยถามพระเจ้าว่าเนี่ยข่าอะไรจึงอยู่เป็นสุขข่าอะไรจึงไม่เศร้าโศกรูจาก็ตอบทันทีเลยนะว่าข่าความโกรธจึงอยู่เป็นสุขข่าความโกรธจึงไม่เศร้าโศแล้วก็ผู้เพิ่มเติอพระเยซู จ, จ้าเนี่ยสระรเซร์นการข่าความโกรธซึ่ง มีรากเป็นพิษและมียอดหวานเมื่อฆ่าความโกรธได้ก็ย่อมไม่เศร้าโศกย่อมอยู่เป็นสุขพระธวัชชาซึ่งกำลังโกรธอยู่นะพอได้ยินอุจารตะเช่นนี้ก็คงจะได้สะเตะเลยนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้ตั ว, วโกรธด้วยอย่างที่ที่จริงคนทั่วไปนะเวลากลัวก็ไม่รู้ตัวว่าโกรธอยู่แล้วเพราะจิตมันส่งออกนอกเต็มที่เลยคิดหมายจะ ทำร้ายหรือว่าเล่นงานคนที่อยู่ข้างหน้าพะพุทธาตรัสย์เช่นนี้เนี่ยพระธ波ชาก็ได้สติแล้วก็ในก็ะไตรียกว่าเนี่ยก็บรรลุธรรมระโสดาบัณเลยในการเห็นความโกรธนะมันตอนหน้าตายอย่างที่หลวงพ่อกิดว่าจักเองความโกรธนี่มันที่ก็ทำให้ปัญญาหรือว่า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 แะปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุธรรมในพระอรหันต์พระอรหันต์ที่คิดจะดาว่าพระุทธเจ้านี่ก็มีเยอะนะพระอรหันต์ที่มีภูมิหลังแปลกๆที่ไม่ค่อยน่าเคารพ ก, ก็มากมายขี้เกียจบังหัวดื้อบงังเป็นโจรบ้างเห็นแก่กินบ้างอันนี้มีเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะหรับการบรรลุธรรมนะเพราะาทุกคน ก็มีศักยภาพในการบรรลุธรรมอยู่แล้วนะเรียกว่ามีเรีอกมีโพธิจิตก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจว่าสู้จ้านเนี่ยจงใจที่จะเลือกอการฆ่าความโกรธนะที่จริงพวกอนี่ตัดอย่างอื่นก็ได้ว่าฆ่ากิเลส น, นะย่อมอยู่เป็นสุขนะหรือว่าฆ่าวิชาเนี่ยหรือว่าฆ่า ความโลรธนี้ก็อยู่เป็นสุขนะแต่อันนี้ครูเจ้าตั้งใจเลยนะว่าจะพูดถึเรื่องการฆ่าความโกรธเพราะพระราธวราชในกลางโกรธสิหรือ ว, วิธีการเตือนสติที่ ท, ที่ที่น่าสนใจคือนะไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้บอกตรงๆว่าท่านโกรธนะแต่ว่าใช้โอกาสที่พิสัชชานี่หละนะเตือนสติ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 ทั้งที่มันเผาลนจิตใจทั้งที่มันดีบคั้นใจทั้งที่มันทําให้ความดันขึ้นนะแต่ว่าคนเราพอมีความกลัแล้วมันก็พวงแหวนความกลัวเอาไว้ไม่ยอมสละไม่ยอมทิ้งง่ายๆอยากจะเลี้ยงความกรัวเอาไว้อันนี้มันก็เช่นเดียวกับอารมณ์ต่างๆนะความเศร้าแล้วก็มียอดหวานเหมือนกันนะมันมีเสน่ห์มันมีสนมนมรสชาติที่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 พยายามที่จะประจับกลุ่มท่านนะเพราะท่านไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ทรมานด้วยท่านติดคุกอยู่หลายปีไม่ติดต่อปานทรมานด้วยอย่างรุนแรงต่อเนื่องแค่อยู่ในคุกของจี น, นในที่เดิมมันทรมานอยู่แล้วนะท่านมันถูกทำร้ายตอนหลังท่านก็ออกมาต้องได้รับการปล่อยเป็นสหภาพนะแล้วก็ไม่นานก็ อาทางนีออกมาชี่นเดียตอนนั้นก็อายุมากแล้วก็วคนก็มีหลายคนก็ไปถามท่านว่าช่วงที่ท่านถูกจองจาอยู่ในช่วงไหนในช่วงที่เลวร้ยรายที่สุดของท่านในช่วงไหนที่ท่านรู้สึกหวาดกลัวแล้วบอกท่านที่บอกว่าช่วงที่ถูกทรมานถูกบีบขมับถูกตอกเล็บหรือว่าถูกจับกดน้ำ มันบอกนั่นไม่ใช่เลยท่านไม่ท่านกลับ ไ, ไม่พูดถึงเลยนะท่านกลบอกว่าในช่วงที่แย่สุดเร็วร้อยสุดช่วงที่ท่านมีความโกรธคนที่ทรมานท่านคือมันก็นักคิดนะทำไมท่านรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดเนะี่ยส่วนเนี่เป็นเพราะว่าท่านพอรู้ว่าถ้ า, ถาโกรธเมื่อไหรเนี่ยมันก็ทําให้จิตเป็นอุปสรรอยากจะทํำร้าย อยากจะตอบโต้ซึ่งผิดวิสัยสมณะนะก็เราเขากดแล้วามาซ่อนจะทำชั่วได้อาจจะไม่ได้ทำชั่วทางกายก็ทำชั่วทางใจจิดคิดเพียบบาสนี้ก็แย่แนละ้วหรือว่าด่าเขาเ น, นี่ก็นี้ก็ผิดนะก็ผิดศีลผิดวินัยไม่ต้องพูดถึงทำร้ายที่จริงพูจารย์สอนนะสอนพระเลยนะว่า หากว่ามีคนมาเลื่อยเมืาเลื่อยอวัยวะท่านเนี่ยเหมือนเอาเลื่อยอวัยวะพระที่ฟังอันนะถ้าว่ามีจิตคิดร้ายมีจิตแปดพันธ์มีวาจากล่าวร้ายหรือทําร้ายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าแค่แค่มีจิตคิดร้ายหรือว่ามีจิตแปดพันเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วนะพระเจ้า ตามความหมายที่พระเจ้าสอนเนี่ยคือวไม่ได้แสงว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตอันนี้ถ้าเรามารุบนี้ท่านก็คงรู้สึกแบบนี้และว่าการความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากมากเลยเพราะว่ามันมันสามารถทำให้เราทำชั่วได้แม้กระทั่งแค่ความคิ ด, ค ด, คดก็ตามใจเหตุผล ห, หนึ่งก็คงเป็นเพาว่ า, วาพอท่านโกรธเมื่อไรเนี่ย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 มันลุกลามเผาผานใจนั่นตรงนี้แหละที่ทําให้ท่านท่านพราธรรนีชท่านรู้สึกว่าไอ้ชงทิยาสือชงที่ทมีความโกรธมีความอแทนผู้ที่ทำร้ายท่านอันนี้ก็ผิดมันสวนทางความเข้าใจคนทั่วไปคนทั่วไปว่าชงทิยาสือคือชงที่มันทำร้ายร่างกายเรานะ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 ฆ่าช้างในในแอฟริกาเนี่ยโอ้เป็นเป็นกระวนการใหญ่มากน่ากลัวมากหล่นพวกก่อการลายไปเพราะพวกนี้เอาขายงาช้างเพื่อเป็นทุนซื้ออาวุธทาสงครามขครขาขวางก็ตายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็นะคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากแต่เพียงแค่เป็นเมียของผู้เจ้าที่ที่จับพวกลักรอบา ง, งาช้าง จับเมียมาทรมานตัดหูตัดเฉือนจมูกแล้วก็เฉือนลิ้นฟีปากนะลิ้นฟีปากเนี่ยไม่รู้มันแย่อย่างไงถึงไปคิดไปเฉือนเขาโอ้เขาว่าถูกแคะนมาเนี่ยต้องผ่าตั ด, ตดถึงเจ็ดครั้งนะแต่ตัวหลังเนี่ยเขาซึ้ว่าเขาโกรธแคะไม่ไหวแล้วต้องให้อภยัยต้องให้อภัยอย่างเดียวเพราะว่าไปผลว่า มันทําให้เธอเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ง่ายขึ้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้อาภายัยก็เหมือนว่าทําร้ายตัวเองวิธีการที่จะให้อาภัยคือการวิธีการที่ทำํำระงับความกลัวคือการให้อาภายัยอันนี้เป็นก็วิธีการหนึ่งจะให้าภายัยก็ต้องเห็นโทษของความโกรธนะว่ามันทําร้ายจิตใจเราอย่างไรบ้างเห็นโทษขอความโกรธได้ก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันนะ เพรว่าเวลาโกรธจริงๆมันไม่ค่อยเห็นโทษหรอกไอสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้ฟังมาว่ากลองโกรธไม่ดีเนี่ยพอถึงเวลาโกรธจริงมันไม่สนใจมันจะโกรธอย่างเดียวกูจะโกรธอย่างเดียวขอให้กูได้โกรธนะขอให้กูได้ด่านะกูจะตายก็ไม่เป็นไรขอให้กูได้ด่าขอให้กูได้ทําร้ายเนี่ยนี่คนบ้คลั่ขนาดนั้นนะตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ด่าเนี่ยทาด้วยความโง่แท้แต่ทําได้เพราะความโกรธ ตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสตินะั่นมันไม่เห็นโทษความโกรธนะแต่พอมีสติปุ๊บมันมันไม่ปล่อยให้ความโกรธเรื้อรังนะอันนี้ก็ก็พิจารณาไว้นะที่เราจะตอดเนื้อฆ่าความโกรธย่อมอยู่เป็นสุขไม่เศร้าโศกโกรธมันนีรเบเป็นพิษแต่มันมียอดหวานเนี่ยมันก็เลยมีเส น, เน่ห์ที่คนก็อยากจะโกรธกัน